ถามแหมความโลภมากอยากไม่มีความพอดีเป็นเบรกห้ามล้อนี้มันทําค้นให้เสียคนได้จริงๆนะท่านปู่ทําวันนี้ถึงใจนับแต่เกิดมาก็มีวันนี้ที่ปูน่นาความโลภออกประกาศโทษให้กับผมรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งจริงๆตอบราคะตัณหาความโลภความโกรธเมื่อเทียบทางโลกแล้วก็คือตัวมหาภายัยมหาอานาจมีโพจัยสัตว์นั่นแหละจะเป็นบุญเป็นคุณอะไรเพราะมันทั้งสามนี้ ที่มันสนุกเรื่องอำนาจก็เพราะสัตว์โลกเคารพบูชามันนั่นเองเวลานี้ทั่วโลกกาลังเทิดทูนและบูชามันอย่างเปิดเผยและออกหน้าออกตาไม่สะดุดใจกระดางอายทำํำเครื่องปราบมันบ้างเลยอะไรๆก็เป็นศิลปะไปหมดปู่ก็ไม่ทราบว่าศิลปะมันคืออะไรมันคือการเห่าหอนอุกะทึกทั่วผ่านทั่วเมืองในฤดูเดือนเดือนสิบสองนั่นหรือมันคือตัวโลกโลกังมากจนหมดอย่างอาย พริกกินควาำกินงายกินกินทั้งสันทั้งคมกินทั้งขึ้นทั้งล่องกินไม่อาจไม่อัน้นขอแต่มีช่องกินนั่นหรือหรือมันคือตัวแดงแงตาแดงๆเหมือนพลิกสุกเวลามันแสดงลิ์เต็มที่กับสิ่งที่ไม่พอใจนั่นหรือนี่หรือศิลปะศิลป ะ, ลปะที่โลกนิยมกันหาไม่ใช่ท่านปูคาว่าศิลปะคือความฉลาดรอบรู้ในสิ่งต่างๆรอบตัวหรือเรียกว่าศิลปวิทยาความรู้ในแง่ต่างๆ เช่นช่างจักสานช่างบ้านช่างเรือนช่างวิชาชีพแขนงต่างๆเหล่านี้รวมแล้วเขาเรียกว่าศิลปะปู่ถามอย่างนั้นหรือปู่เกิดมากแกแดดแกลมเปล่าๆไม่รู้ศิลปะกับเขาทางโลกก็เคยครองอยู่หลายปีก่อนออกบวชแต่สมัยนั้นไม่เคยสนใจกันในคาว่าศิลปะศิลปะเหมือนคนสมัยปัจจุบันซึ่งรู้ไปเสียทุกแง่ทุกมุมแต่สังเกตดูคนสมัยปู่โน้น เขามีความสุขกันอย่างธรรมชาติสุขเรียบเรียบสุขไม่แพ้วเภาผ่าผลเหมือนคนสมัยนี้ดูแล้วผิดกันอยู่มากถ้าเป็นอาหารก็อาหารธรรมชาติไม่มีหลายรสหลายชาติเหมือนอาหารในสมัยปัจจุบันซึ่งหลากรสหลากสีที่สุดคนง้องอย่างปู่เลยไม่รู้จักกินกับเขาทั้งไม่รู้เป็นข้าวเป็นหวานด้วยที่สามารถปรุงอาหารหวานข้าวได้หลายรสหลายชาติที่นี้ก็เรียกว่าศิลปะใช่หรือเปล่าใช่จัดเป็นแขนงหนึ่ง ของศิลปะและท่านปู่สำหรับปู่เองซึ่งแก่จูนจะเข้าอู่อยู่แล้วมันเฉยเฉยไม่กระตือรือร้อนกับสิ่งเหล่านี้มีอะไรกินอะไรที่ไม่กังวลสิ่งเปลืองก่อความทุกข์ความชิบหายมากเกินความพอดีแล้วพอกินพอใช้ทั้งนั้นแล้วก็เป็นสุขดีไม่หมุนตัวเป็นเปลียวไปกับมันคนเราเมื่อหาความสบายอะไรมันสบายก็ควรใฝ่ใจและหมุนตัวไปทางนั้นถ้าเห็นโทษของกิเลสตัวฟุ้งเฟอ้อเหอเหิมตามทางของชาวพุทธ นอกจากจะเห็นคุณค่าของมันที่พาโลกให้เป็นกังหันหน้าซีดเซียวมองกันไม่ทั่วหน้าข่ากันราวกับใบไม้ร่วงก็เป็นกรรมของสัตว์เองแม้ทําเครื่องแก่กิเลสและกองทุกมีอยู่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเจ้าของไม่นําออกมาช่วยตัวเองเช่นอยู่กับปืนมีอยู่แต่ไม่นําออกมาต่อสู้เสือที่กําลังคํารามปล่อยให้เสือขัดตายเปล่าๆฉะนั้นถามขอกราบถามปู่เรื่องพระธุดงค์กรรมฐานได้ทราบเขาเล่าลือว่า พระธุดงค์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตะเถระทางภาคอีสานมีมากกว่าภาคอื่นๆใช่ไหมปู่ตอบดูจะมีมากนางคําเขาเล่าลือเพราะป่าทางภาคอีสานยังมีอยู่มากพอหลบซ่อนตัวบาเพ็ญภาวนาได้สะดวกประการสําคัญผู้ให้กําเนิดกรรมฐานในสมัยปัจจุบันคือท่านหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นท่านก็เป็นคนภาคอีสานเวลาบวชแล้วท่านมักบาเพ็ญอยู่ทางภาคอีสานมากกว่าภาคอื่นๆ ยิ่งวาระสุดท้ายแห่งอายุท่านก็อยู่ภาคอีสานและมรณะภาพที่ภาคนี้ทั้งสององค์เวลาท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ให้การอบรมพระเนนเป็นจำนวนมากฉะนั้นพระสุดงกรรมฐานจึงมักมีอยู่ทางภาคอีสานมากกว่าภาคอื่นถามเวลานี้ยังมีอยู่มากอยู่หรือเปล่าตอบยังมีมากอยู่แต่ครูอาจารย์ที่ประชาชนพระเ น, นรเคารพนับถือรู้สึกร่วงโรยไปมาก องนั้นร่วงไปองนี้ร่วงไปซึ่งมีแต่องสาคัญสำคั ญ, คญทางกิจตภาวนาแทบทั้งสิน้นถามเวลานี้ยังมีองคใดบ้างที่สำคัญทางกิจตภาวนาปู่จะพอเมตตาบอกลูกหลานตอบเรื่องเมตานั้นเมตตาแต่ไม่อาจบอกได้เพราะท่านไม่ใช่ปลาหน่าพอะจะประกาศขายท่อตลาดนี่ถามก็เห็นท่านพูดกันอยู่ว่าองค์นั้นเป็นอย่างนั้นองนั้นดีทางนั้นองนั้นดีทางน้น สำหรับปู่ทำไมบอกไม่ได้ตอบปู่ไม่มีภูมิในทางทํานายทายทักท่านผู้ใดได้แม้ปู่เองยังไม่เห็นทํานายตัวเองได้ว่าจะตายเมื่อไรร่างกายแก่มากขนาดนี้แล้วซึ่งน่าจะพอทำนายตัวเองได้จะไปอวดเก่งเที่ยวทำนายท่านผู้อื่นอย่างไรกันเพราะทําให้เหมือนโลกไม่เหมือนภาพยนตร์พอจะประกาศโฆษณาให้คนมาชมแบบภาพยนตร์นี่ถามเมื่อไม่ประกาศบ้างพระทูลนกรรมฐานท่านจะรู้ได้อย่างไรว่า ครูอาจารย์องค์ใดดีทางใดองค์ใดมีความรู้ความสามารถทางสมถาวิปัสนาวิชาวิมุตติองค์ใดได้ขั้นใดภูมิใดพระธุดงทั้งหลายจึงจะมาศึกษาอบรมกับอาจารย์องค์นั้นนั้นได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดตอบพระธุดงกรรมฐานผู้สแสวงหาความรู้ความฉลาดแต่ถ้าจะโง่ขนาดนั้นก็ไม่ควรอยู่ให้หนักศาสนาเพราะพระพุทธเจา้าไม่ได้สอนคนสอนพระให้โง่แต่สอนเพื่อความฉลาดทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วอย่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่น ไม่เห็นท่านประกาศตัวเองว่ารู้และฉลาดในทรรแห่ใดท่านชอบบำเพ็ญตนอยู่แต่ในป่าในเขาเป็นประจำจนเป็นนิสัยเรากับท่านไม่เคยเกิดกับบ้านอยู่กับเมืองเลยแต่ครูอาจารย์ใดละ่ะจะมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งพระเน้นและประชาชนครวาตมากกว่าท่านทั้งสองนี้ถ้าเหล่านี้รู้ได้อย่างไรจึงพากันหลังหลายไปศึกษาอบรมกับท่านจนกระทั่งท่านละขันลูกศิษย์ท่านมีมากทั่วประเทศไทยกระทั่งประเทศลาวนนท์ท่าเหล่านั้นรู้ได้อย่างไร ให้ตนไปรู้ไปเห็นเองฟังเองสังเกตเองทุกแง่ทุกมุมบรรดาอาคารที่แสดงออกจากท่านนั่นแหละมันถนัดชัดเจนดีดีกว่าตื่นข่าวคันแบบลมๆแรงๆสุดท้ายก็หาตัวหาตนไม่ได้ไปไหนๆพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มัน่นมาดั้งเดิมนั่นท่านเป็นธรรมไม่มีโลกเขาแฝงเลยไม่พูดพร่ำเรื่องอะไรอะไรเกี่ยวกับอัดกับทำอย่างง่ายดายท่านผูดเฉพาะพวกเดียวกันที่มีความรู้ทางจิตภาวนาคล้ายคลึงกัน และไว้ใจกันได้ท่านจะพูดเรื่องธรรมปฏิบัติรรัวต่อกันใครรู้เห็นอย่างไรจากการปฏิบัติจิตภาวนาท่านคุยธรรมะปฏิบัติกันอย่างเอาจริงเอาจังฟังแล้วเพลินไม่อยากให้จกลงอย่างง่ายๆเรื่องที่ท่านจะพูดทําภายในใจเช่นสมถาวิปัสสนาสมาธิสมาบัติม า, ตมากผลนิพพานที่ตนรู้ตนเห็นให้ใครๆฟังแบบพร่ำๆนั้นอย่าฝันลมฝันแรงว่าจะได้ยินจากท่าน ง, ง่ายๆ เพท่านไมพูดนี้ท่านทำตัวเรากับพระเสบบะศบนั่นแหลถ้ายังไม่สนิทกันสมมุติมีใครไปตีสนิทในขณะที่ไปพบเห็นท่านครั้งแรกปากบอนอวดรู้ตู้พระไตรปิฎกเต็มพุงพูดคุยอวดท่านเรื่องสมาธิสมาบัติมรรคผลิพานที่ประสูตที่ประจักษ์สุตลอดอภิญญาพิสดารต่างๆท่านจะปิดปากอย่างสนิทเลยแต่จะคอยฟังแง่หนักเบาแห่งธรรมจากผู้มาคุยด้วยทุกๆระยะไม่คลาดเคลื่อนเลื่อนลอยจนจบ หากเป็นธรรมเกิดจากภาคปฏิบัติจริงๆและเจตนาเป็นธรรมของผู้มาคุยด้วยท่านจะช่วยแนะให้ตามลำดับแห่งจุดที่ผู้นั้นยังบุพคล่องโดยที่ตนไม่รู้ไม่เข้าใจแต่จะถามท่าน ส, มส่มสีสมหานั้นท่านไม่เล่นด้วยและหาทางออกตัวโดยอุบายต่างๆเช่นผมหรืออาตมาไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นต้นและปิดปากเงียบนี่คือนิสัยของพระธุนงกรมฐานที่ท่านเป็นธรรมและรักสงวนธรรมโดยมากท่านปฏิบัติกันอย่างนี้ แม้จะรู้เห็นธรรมมากน้อยลึกตื้นหยาบละเอียดเพียงไรท่านจะพูดคุยในวงและคณะของท่านโดยเฉพาะท่านไม่ประกาศโฆษณาตนและทําแบบโลกโลกเพราะท่านทราบว่าโลกกับธรรมนั้นต่างกันแม้จะอยู่ด้วยกันท่านจึงรักสงวนธรรมส่วนพวกเราประเภทขายก่อนซื้อเน่าก่อนสุกสุกก่อนหามพร่ำก่อนรู้พอมาเจอกันเป็นยังไงจิตถึงไหนแล้วถึงพรหมโลกหรือยังได้ไปเที่ยวสวรรค์ไหมคืนนี้ แตไปดูสัตว์นรกบ้างไหมคืนนี้ได้ตรวจดูจิตผมไหมคืนนี้ได้ได้ตรวจดูจิตคนนั่นไหมที่เขามาขอให้ตรวจดูให้นะ่ะผมเองยังเลยเพราะยุ่งกับการตรวจดูกรรมของเขาเขามาให้ตรวจดูให้คืนนี้ยังจะต้องตรวจดูกรรมเวรของเขาคนนั้นอีกคนนี้กรรมหนามากระโยองระยางด้วยสายกรรมสายเวรจนแทบมองไม่เห็นตัวจริงคุยเคียตัดฟันกันยกใหญ่กว่าจะได้ความจริงออกมาบอกเขา คนนี้ต้องให้เขาทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรโรคเขาจึงจะบรรเทาแต่หายนั้นไม่หายแน่เพราะเขายังมีกรรมหนักมากปกติผมหรืออาตมาไม่ว่างต้องช่วยเพื่อนมนุษย์ตลอดทั้งวันทั้งคืนต้องแนะต้องบอกให้เขาสเดาะเคราะเพราะระยะนี้ดวงเขาไม่ดีเลยดาวอะไรตัวดาวอะไรทับกันยุ่งหมดและต้องแนะต้องบอกหลายด้านหลายทางเพราะคนหนึ่งหนึ่งเพราะคนหนึ่งหนึ่งล้วนหาบเคราะหาบกรรมมาให้เราดูเราช่วยแทบเป็นแทบตาย ท่านไม่ได้เหมือนพวกเราเชาวฉลาดก่อนโง่ดังที่กล่าวมาพระธุดงค์กรรมฐานองค์ใดรายใดก็ตามแสดงออกจะเป็นสมัยหลวงปู่มั่นยังอยู่หรือปัจจุบันนี้ก็ตามองค์นั้นรายนั้นจะอยู่กับหมู่คณะไม่ได้พระท่านรังเกียจอย่างน้อยท่านกระซุบซิบกันมากกว่านั้นก็ทําเรื่องขึ้นหาครูอาจารย์เพื่อเรียกมาชําระอธิกรณ์นรกสวรรค์ให้สิ้นไปจักวัดจากหมู่คณะเพราะแบบนี้มันแบบหากินไม่ใช่แบบหาอาาัดหารมดังพ ร, พระพุทธองค์ แลสาวกภาหาเข้าใจไหมอย่าว่าปู่ดุนะเราพูดตามความจริงของวงกรรมฐานสายหลวงปู่เสาหลวงกุมันท่านถามแหมซึงมากปู่วันนี้ได้ฟังการปฏิบัติธรรมของวงพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่เสาหลวงกุมัน่นอย่างถึงใจและเป็นคติเป็นนานแต่ก่อนปู่ไม่เห็นเล่าวงพระธุดงค์เหล่านี้ให้หลานๆฟังบ้างตอบใครมาก็พูดใครมาก็พร่ำใครมา หากฟุงบ้านน้ำลายทะลุฟ้าเรื่องพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่เสาปู่มั่นไม่ทราบว่าเขามาหาเพื่อเรื่องราวอะไรตะกี้นี้ก็พูดกันอยู่แล้วสดสดร้อนรอนยังจะเป็นผู้รับเหมาเรื่องเหล่านั้นเสียเองอะไรกันการพูดควรพูดเรื่องอะไรที่เหมาะกับการสถานที่บุคคลค่อยพูดไม่ใช่ใครมาหาก็จะพูดแต่เรื่องเดียวเขาก็เอื่มกันทั่วโลกละสินี่แล้วหลานถามก็พูดกันไปตามเรื่องราวที่อยากทราบอย่างนั้นเองถาม ครั้งพุทธการเที่ยวทุดงกรรมฐานกับสมัยนี้ที่คณะทุดงของปู่สาวปู่มั่นและปู่เที่ยวต่างกันหรือเหมือนกันปู่ตอบถ้าดูตามพุทธประวัติสาวกประวัติตลอดท่านจารึกไว้ในคัมภีร์ก็คิดว่าเป็นปฏิปทาที่ลูกสิทธิ์เดินตามครูแต่จะพูดว่าเหมือนครั้งพุทธการนั้นปู่ไม่อาจเอื้อมเพราะระหว่างพยา ร, ราชศีกับหนูนั้นผิดกันมากจึงไม่ควรนามาเทียบกัน การกราบไหว้ท่านปฏิบัติตามธรรมที่ท่านทรงไมตาสังสอนนั้นเห็นว่าเป็นสามิจกรรมเหมาะสมแล้วจึงตะเกียกตะกายปฏิบัติกันไปดังที่เห็นเห็นกันอยู่นี่แหละถามที่ปู่ว่าทำได้มาจากความอดอยากขาดแคลนและเดนตายนั้นอดอยากอย่างไรปู่ไม่มีคนใส่บาตรให้ฉันอย่างนั้นเหรอตอบเรื่องคนใส่บาตรนั้นมีพระกรรมฐานไปอยู่ที่ไหนตามธรรมดาแล้วไม่อดอยากด้วยปัจจัยสี่ เพราะเขาเคาเรพเลื่อมสายเป็นพื้นเพของจจอยู่แล้วที่ว่าอดอยากขาดแคลนนั้นเป็นเพราะท่านฝึกท่านทรมานท่านเองเพื่ออัดเพื่อทำที่ท่านมุ่งมั่นอยากรู้อยากเห็นท่านจึงฝึกทรมานด้วยการปฏิบัติโดยวิธีต่างๆเช่นเอาอาหารแต่น้อยแม้มีมากฉันน้อ ย, อยแม้อาหารนี้มากไม่ฉันทั้งไม่ไปบินถบาตเป็นวันๆไปเป็นครั้งคราวเพื่อเร่งภาวนาให้หนักขึ้นถาม ไม่อดอาหารไม่ผ่อนอาหารไม่อดดยาขาดแคลนภาวนาไม่ได้หรือปู่ตอบภาวนาได้แต่จะได้ผลเพียงไรหรือไม่นั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งดังชาวบ้านเขาภาวนากันเขาก็ไม่อดไม่ผ่อนอาหารไม่ทรมานมากเขาก็ภาวนาได้แต่ผลของเขาเป็นอย่างไรปู่ไม่ได้ถามเขาถามการฝึกทรมานด้วยวิธีต่างๆดังที่กล่ามานั้นได้ผลอย่างไรบ้างปู่ตอบการฉันน้อยและการไม่ฉันเป็นวันๆไปนั้น ทำให้ไม่งองง่วงตั้งสติได้ดีใจสงบได้ง่ายกว่าฉันตามปกติปัญญาคล่องตัวดีกว่าปกตินี่หมายถึงผู้ถูกกับจริตนิสัยร่างกายลดกําลังลงกว่าปกติย่อมไม่ทับกิดมากการฝึกจิตทั้งด้านสมถะและด้านวิปัสนาก็ง่ายกว่ากันท่านจึงมักทรมานอยู่เสมอเพื่อการดําเนินจิตได้สะดวกและรวดเร็วกว่าที่ไม่ได้ฝึกทรมานดังที่กล่าวมาถาม พระธุดงคกรรมฐานท่านชอบฝึกทรมานตนอยู่แบบอดๆ อ, อยากๆอย่างนี้เหมือนกันหมดหรือตอบไม่หมดแต่ส่วนมากท่านวักทรมานกันด้วยความพอใจสมัครใจไม่มีใครบังคับการฝึกการทรมานดังที่กล่าวมาจิตใจสงบร่างกายก็เบาไม่กดทวงจิตใจให้คิดฟุ้งซ่านไปในทางที่ผิดที่เป็นค่าสึกต่อธทำเมื่อใจสงบคนเราย่อมสะดวกสบายไม่ดิ้นรนสติปัญญาพอมีทางคิดอ่านตจตรองอัธรรม ไม่เป็นความคิดความปรุงที่กิเลสควบคุมรุมกัดรุมทึงไปเสียหมดยังพอปรากฏเป็นอัดเป็นธรรมขึ้นมาให้ได้ชมบ้างสมกับมาสแสวงธรรมถามถ้าใจไม่สงบท่านคิดอัดคิดทำไม่ได้หรือจึงต้องฝึกให้ใจสงบก่อนแล้วค่อยคิดอัดคิดทำตอนจิตสงบแล้วตอบเรื่องคิดนั้นคิดได้แต่พอคิดทำติดมือขึ้นมากิเลส ท, ที่รุมล้อมอยู่รอบหัวใจควก็เอาไปกินหมดเจ้าขอมองไม่ทัน เพราะกิเลสตัวสัญญาอารมณ์มันรวดเร็วมากเกินกว่าสติปัญญาธรรมดาโลกโลกจะตามทันฉะนั้นท่านจึงสอนให้ฝึกอบรมจิตให้สงบด้วยสมถะก่อนพอมีทางยับยั้งทงั้งตัวได้บ้างแล้วก็สอนให้พิจารณาทางปัญญาการที่จิตสงบนั้นเป็นผลเป็นความเย็นไม่ดิ้นรนกวัดแกว่งกิดเชื่องถ้าเป็นน้ํำก็สงบนิ่งเมื่อนิ่งนานเข้าก็ใสสะอาดจิตที่สงบจากอารมณ์โกลนใจก็ทํานองเดียวกัน เมื่อนำออกพิจารณาทางด้านปัญญาย่อมไม่ดินนวลกัดแวงตั้งหน้าทําหน้าที่ตาม ส, สติที่ควบคุมและสั่งงานในการพิจารณาการพิจารณาส่วนมากถือกลายเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาโดยความเป็นอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกไม่สวยงามบ้างในขั้นเริ่มต้นพิจารณากลับไปกลับมาจนเป็นที่เข้าใจว่าเป็นอสุภะไม่งามเป็นปฏิกูลจริงๆตามความพิจารณาหลายครั้งหลายหนใจย่อมํานวนต่อปัญญาและเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ จิตก็ยังมีความสง่า ง, งามแพรวและอาหารไปโดยลําดับของการพิจารณาเมื่อพิจารณาไปมากจิตมีความอ่อนเพลียก็นำจิตเข้าพักสงบอารมณ์ในสมาธิทําสลับกันไปตามวาระของการทำงานและหยุดงานถามมีอาจารย์มีบางอาจารย์สอนว่าให้พิจารณาปัญญาไปเลยไม่จำเป็นในการทำสมถะคือความสงบใจก่อนนั่นจะไม่ขัดกันหรือปูตอบ ถ้าเราไม่ไปขัดเขาและเขาก็ไม่มาขัดการปฏิบัติของเราก็ไม่มีอะไรขัดเขาชอบทําอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเราทําเช่นนี้ก็เป็นการปฏิบัติของเราและเพื่อเราเองไม่ได้เพื่อใครเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติกลางใครจะสแสวงหาด้วยวิธีใดก็ได้ไม่มีใครไปห้ามและกีดกวางส่วนถูกหรือผิดนั้นต่างเป็นผู้รับผิดชอบของตัวเองผู้อื่นไม่ใช่ฐานะจะเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเขาไม่ขอให้เกี่ยวข้องเรื่องก็มีเท่านั้น หลานสงสัยอะไรและเป็นกังวลกับใครเวลานี้ปู่พูดกับหลานปู่สอนหลานต่างหากมีได้สอนใครพอจะนำเรื่องของผู้อื่นเข้ามาเป็นกังวลใจให้ยุ่งไปเปล่าๆถามเห็นข้อสอนกันอย่างนั้นหลานสงสัยที่ไม่เข้ากันกับที่ปู่สอนอยู่เวลานี้จึงได้เรียนถามถ้าผิดก็ขอประธานโทษด้วยหลานไม่เข้าใจจริงๆในเรื่องภาวนานี้ปู่ถามการทําทุกกขกิริยาของพระพุทธเจ้า โดยทรงอดพระกยาหารไม่เสวยสี่สวันกับที่พระธุรงกรรมฐานท่านอดอาหารไม่ฉันเป็นวันๆและหยุดฉันเป็นพักๆไปนั้นผิดการกับที่พระองค์ทรงทมหรือไม่ตอบพูดการอดไม่ฉันของพระธุรงค์กับของพระองค์นั้นไม่ผิดกันคือไม่ฉันเหมือนกันแต่ที่ผิดกันนั้นผิดตรงที่พระองค์หวังความตรัสรู้ธรรมด้วยการอดพระกยาหารอย่างเดียวไม่มีจิตตะภาวนาเข้าช่วย ส่วนพระธูปองท่านอดเพื่อภาวนาสะดวกและหวังรู้ธรรมจากการภาวนามิได้หวังรู้ธรรมจากการอดอาหารอย่างเดียวต่างกันตรงนี้ถามเวลาอดอาหารไม่ฉันนั้นท่านอดกี่วันปู่ท่านจึงฉันตอบเอาแน่ไม่ได้ตามแต่ละองค์ที่ท่านจะอดจะฉันเพราะเป็นอธัธยาสายของแต่ละรายละลายไปแม้องค์เดียวกันนั้นอดบางครั้งก็น้อยวันเช่นสามสี่ห้าวันหรืออาทิตย์หนึ่ง บางครั้งท่านอดเป็นอาสิทธิตจึงฉันก็มีองค์อื่นๆก็เช่นกันเอาแน่ไม่ได้ตามแต่ผลแห่งการภาวนาของท่านจะอำนวยถามเวลาอดอาหารเช่นนั้นหิวมากไหมปู่ตอบถ้าอยากทราบก็ลองอดดูสิจะรู้เองไม่จําต้องถามผู้อื่นแม้ถามก็ไม่เกิดประโยชน์จึงไม่ตอบถามโอ้โหหน้าสงสารท่านจับใจของเคยกินไม่กินต้องเป็นทุกแน่ๆยิ่งอดหลายวันดยแล้วน่าจะสลบไปในบางครั้งนะปู่ ตอบอาจเป็นไปได้ในบางรายและบางครั้งถ้าธาตุขันไม่สมบูรณ์แต่ความสนใจพระท่านมาได้อยู่กับความเมื่อยหิวอ่อนเพลียมากไปกว่าความมุ่งมั่นต่อการรู้ธรรมเห็นธรรมที่กำลังบำเพ็ญอยู่อย่างขมักขม้นในเวลาเช่นนั้นซึ่งเหมือนเข้าสู่สงครามระหว่างกิเลสขับธรรมภายในใจถามเวลาอดอาหารให้ฉันอะไรแทนบ้างไหมปู่ปู่ถามฉันอะไรหลานก็ฉันน้ำอ้อยน้ำตาลฉันโกโ ก, โก้กาแฟ หรือฉันพลไม้สุกชนิดต่างๆที่พอมีพอหาได้นั่นแหละตอบถ้ายังจะโกรธตายที่เหวี่ยฉันพลไม้ชนิดต่างๆอยู่ก็อย่าอดแท้ขายหน้าตัวเองและพระาศาสนาละสิพูดอะไรอย่างนั้นผลไม้ก็คืออาหารเราดีๆนี่เองจะฉันได้อย่างไรในเวลาวิกาลแม้ที่ฉันได้ในเวลาวิกาลเช่นโกโก้โ ก, โกาแฟน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำส้มน้ำหวานเพียงจะหาถ่ายรูปไว้ดูต่างหน้าเวลาหิวก็ยังไม่มีจะว่าอย่างไงอย่างจัะ บืนไปหามันที่ไหนให้ยุงเข้าไปอีกพูดกับคนไม่เคยอดเคยหิวนี่มันลําบากเลยออกนอกหลุมนอกทางไปกันใหญ่แล้วนี่ถามขอประทานโทษปูม่มากๆหลานไม่รู้จริงๆจึงถามสอกแสกออกนอกลูมนอกทางไปแล้วท่านจะฉันอะไรพอเยียวยาทาตขันในเวลาเมื่อหิวอ่อนเพลียมากเพราะไม่ได้ฉันหลายวันตอบจะฉันอะไรนอกจากน้ําในการน้ําเท่านั้นก็ทํานหม่วุ่นวายเหมือนผู้ถามนี่นาท่านอดเพื่อภาวนา ท่านจึงมีแต่ตั้งหน้าภาวนาอย่างเดียวไม่ยุ่งกับอะไรทั้งสิ้นในเวลาเช่นนั้นเพราะท่านอดเพื่อทนเพื่อต่อสู้ท่านไม่ไดอดเพื่อความอ่อนแอทอแท้ล้มเหลวจิตท่านเข้มแข็งแม้ร่างกายธาตุขานจะอ่อนกําลังลงบ้างถ้าจิตท่านเหมือนที่ถามยุ่งอยู่เวลานี้ท่านไม่อดให้เสียเวลาไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นถามเวลาอดหลายวันการภาวนาของท่านน่าจะดีท่านจึงทนได้ถ้าเป็นอย่างหลานต้องว่าใบไม้สดใบไม้แห้งเข้าใจว่าเป็นพักแน่ ตอบก็ท่านไม่ใช่พระใบไม้สดใบไม้แห้งแล้วสิท่านถึงอดถึงทนได้เพื่อประโยชน์อันไพศาลซึ่งดีกว่าอาหารหวานขาวที่กินอยู่ทุกวันเวลาไปไหนๆพวกที่เห็นขี้ดีกว่าไส้ก็ทําไม่ได้ผู้ที่เห็นไส้ดีกว่าขี้ก็ทําได้ไม่หวั่นไหวตายเป็นตายขอให้ได้ครองอัดครองทำอย่างสมใจก็เป็นที่พอใจแล้วพระธุดง์แต่ละองค์กว่าจะได้ทําครองใจก็แทบไปแทบอยู่นั่นแหลจะว่าเป็นของง่ายได้หรือ เวลาชีวิตท่านเหลือเดินตายออกมาใครๆครจึงชมแต่ผลท่านว่าท่านดีอย่างนั้นดีอย่างนี้หมดเวลาท่านจะตายอยู่ในป่าในเขาในทางจงกรมในที่หนังสมาธิภาวนาในความเพียรท่าต่างๆไม่เห็นคิดกันบ้างเราเป็นชาวพุทธต้องมองเหตุบ้างสิมองแต่ผลอย่างเดียวจะเกิดประโยชน์อะไรเกิดมาทั้งชาติก็มีแต่กินกับนอนและที่ยวเตะเตะเร่ร่อนหาหัวนอนปลายท้าไม่ได้เป็นอยู่อย่างจำเจจะหาความอบอุ่นแก่จิตใจได้ที่ไหนก็มีแต่ความรุ่มร้อนเผาใจละสิ วันคืนหนึ่งหนึ่งผ่านไปต้องคิดหาสาระคุณยัมีแต่ความสนุกเฮฮาตื่นลมตื่นแรงกันไปไม่มีสาระอะไรติดตัวติดใจจะหวังพึ่งอะไรมนุษย์เราซึ่งไม่ใช่ท่อนไม้ท่อนฟืนมันมีหัวใจดวงรู้ครองร่างอยู่กับทุกคนทําไมไม่เหลียวแลจะหวังพึ่งอะไรถ้าพึ่งใจตัวเองไม่ได้แล้วพึ่งลมหายใจลมก็หมดไปพึ่งร่างกายกายก็แตกพึ่งน้ําในกายน้ําก็สลายพึ่งไฟในกายไฟก็กระจายกายทั้งร่างมีแต่เรื่อง แต่กระจายแล้วจะพึ่งอะไรพึ่งบ้านบ้านก็จะพังพึ่งสมบัติเงินทองก็ล้วนแต่สิ่งจะพังทลายยังเพลินเมามัวมัวม่วสมอยู่หรือมนุษย์เราตัวฉลาดแท้ๆไม่สมควรกับความเป็นดังที่กล่าวมาความดีมีอยู่สแสวงหาสิมนุษย์ทั้งหลายท่านหาความดีได้ทําไมเราหาไม่ได้เวลาไพ่ไปหาความเร็วซามต่ําช้าทําไมหาได้สิ่งเหล่านั้นมันวิเศษวิโสอะไรถ้ามันพาคนให้วิเศษมนุษย์พากันวิเศษเลิศโลกไปนานแล้ว ไม่จมปลักดังที่เห็นกันอยู่นี่เลยจึงไม่ควรเพลิดเพลินไม่ควรโมเมาไม่เข้าเรื่องอยู่ปเปล่าๆอะไรดีมีสาระรีบสแสวงหาเวลาตายจะมีที่ยึดที่เกาะไม่เป็นไฟทั้งกองไปเสียถ่ายเดียวคนหมดที่พึ่งหมดที่อาศัยเป็นคนดีวิเศษแลหรือในโลกก็เห็นเห็นกันอยู่ยังจะสงสัยอะไรอยู่อีกถ้าไม่อยากจมนะเห็นไหมปู่เวลาเผดร้อนแผดเผาปูเอาจิงเพราะสงสารมนุษย์ที่โมเพลิดเพลินกับเงาไม่เข้าเรื่องรา กับเด็กอมมือตายแล้วก็จะล่มชมกันที่นา่าเสียดายและสงสารมากแต่ช่วยอะไรไม่ได้พาคันพากันทําตัวเหมือนสัตว์ที่เขาขังไว้ต้มแกงเป็นอาหารยังโมเพลินกันอยู่ดูสิสัตว์ที่เขากําลังจูงใบข้ามันรู้ตัวเมื่อไหร่ยังเพลินกัดหญ้าไปตามทางถ้ามันรู้จะไม่เพลินกัดหญ้าเป็นอันขาดนอกจากมันจะไล่กิดไล่ชนคนที่จูงมันพุ่งทะลุไปในเวลานั้นเท่านั้น คนที่เชื่อธรรมที่ให้ความปลอดภัยไร้ทุกแก่สัตว์โลกก็เป็นคนประเภทสัตว์ที่รู้ตัวว่าเขากำลังจูงไปฆ่านั่นเองจะไม่ประมาทนอนใจรีดไถ่กอบโกยกันแบบสัตว์กัดกินหญ้าตามทางในเวลาที่เขาจูงไปฆ่าจึงอดสิ่งเลวร้ายมหาภัยแก่ตนและผู้อื่นทันทีไม่ชักช้าก้มหน้าทำแต่ความดีงามสุดจริตยุติธรรมต่อกันถ่ายเดียวโลกก็สงบร่มเย็นเพราะต่างเห็นใจกันนี่พูดเรื่องพระธุดงเลยทุดงเข้าบ้านเข้าเมืองไปหมด แทนที่จะทุดดวงเข้าป่าเข้าเขาอย่างเดียวดังพระทูดดวงกรรมฐานท่านเที่ยวไปเอาละเหนื่อยมากเพราะเล่นเครื่องมากลืมความแก่ไปถามอัศาจรรย์ทำปู่จนขนลุกปู่ไปเอามาจากไหนเวลาพูดเป็นน้ําไหลไฟสว่างไปทีเดียวไม่มีติกมีข้องเลยและอัศาจรรย์พระทูดดวงท่านที่อดทนมากผิดกับชาวบ้านราวก้ากับดินทีเดียวถาม วันนี้พวกลูกหลานมาจากกรุงเทพมาขอพรปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและหน้าที่การงานขอหลวงปู่ได้โปรดพรปีใหม่ให้แก่ลูกหลานด้วยเถิดตอบคำว่าพรทำท่านแปลว่าประเสริฐสิ่งใดดีสิ่งใดประเสริฐขอให้ลูกหลานพากันแสวงหาและขวนขวายให้เกิดให้มีขึ้นในตนและครอบครัวของตนตลอดส่วนรวมไม่มีประมาณเพราะคำว่าของดีของประเสริฐนั้นมีอยู่ที่ไหนมีอยู่กับผู้ใด มีอยู่กับครอบครัวใดสังคมใดที่นั้นผู้นั้นครอบครัวนั้นสังคมนั้นย่อมชุ่มเย็นเป็นสิริมงคลถามคําว่าของดีของประเสริฐที่ปู่กล่าวกล่าวถึงนั้นได้แก่อะไรบ้างปู่พวกลูกหลานยังไม่เข้าใจได้ยินแต่พ่อแม่คนเฒ่าคนแก่โบราณพูดติดปากกันมาว่าขอพรปีใหม่หรือไปขอสิ่งขอพรกับคนเฒ่าคนแก่และพระตลอดครูอาจารย์ที่เคารพนับถือตามวัดต่างๆ ดังที่พวกลูกหลานมาขอสินขอพรกับหลวงปู่วันนี้แหละส่วนที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านี้ยังไม่เข้าใจก็เลยปู่ตอบหลักใหญ่ที่โลกยอมรับกันก็คือธรรมเช่นเขาขอความเป็นธรรมเป็นต้นเพราะธรรมเป็นที่ลงใจของโลกพอได้ยินว่าธรรมเท่านั้นใจของแต่ละคนก็ชุ่มเย็นทั้งที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจเลยว่าธรรมคืออะไรฉะนั้นลูกหลานมาวันนี้ปู่จึงจะมอบธรรมเป็นพรให้แทนพรทั้งหลาย เพราะคำว่าพรอันประเสริฐนั้นก็ได้แก่ธรรมที่โลกยอมรับนับถือและกราบไหว้บูชาในแลปู่จะให้พรอย่างและย่อพอดีกับเวลาขอให้ลูกหลานรับไปปฏิบัติกันเถิดจะเกิดความสงบร่มเย็นแก่ตัวเราและครอบครัวอย่างประจักษ์ทำย่อที่จะให้ดังนี้คือการที่เราฆ่าเขาเขาฆ่าเราและการฆ่าสาตว์ทุกชนิดที่ครองตัวอยู่ด้วยชีวิตเป็นอัปมงคลความพร่มจมแก่ตนผู้ฆ่าและแก่เขาที่ถูกฆ่าเหล่านั้นอย่างยิ่ง ชนิไม่มีอะไรเปรียบได้เลยเพราะทุกๆชีวิตมีคุณค่ามากสำหรับตัวทุกๆรายไม่ควรไปแต่ต้องทำลายจงหยุดจงงดกรรมอันโหดร้ายทารุนต่อการนี้เสียนี่เป็นพรข้อที่หนึ่งสมบัติเงินทองของคู่ใจใครก็รักสงวนการทำลายสมบัติของคู่ใจให้พลัดพรากจากตัวเขาเป็นความโหดร้ายทารุนของผู้ทาแก่สมบัติและจิตใจเขาอย่างยิ่งไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้แม้เคยทามาก็จงหยุด จงงดอย่างเด็ดขาดจะอย่าทํำต่อไปนี่เป็นพรข้อที่สองลูกหลานเขาเมียเขาผัวเขาคือสมบัติในหัวอกที่รักสงวนอย่างยิ่งกว่าสิ่งใดไม่ควรล่วงเกินเป็นอันขาดจงรักษาอธิปไตยของกันและกันด้วยการเทียบหัวใจเขาหัวใจเราใส่กันมนุษย์หัวขาดจากคอตับพุงทะลุแตกกระจายจากการในช่ววินาทีก็เพราะโทษของการล่วงล้ำ ข, ข่มขืนเป็นต้นเหตุอันสําคัญจงเห็นโทษมหาวินาศนี้อย่างถึงใจ และไม่สนใจใยดีกับกรรมอันหลามวกนี้หัวกับคอจะได้อยู่กันอย่างสนิทไม่พลากกันนี่เป็นพรข้อที่สามุสาคือการโกหกตบหูตบตาหลอกลวงผู้อื่นให้ผิดจากปกติคือความมีความเป็นจริงทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหายแต่น้อยจนถึงขั้นล่มจมชิบหายเป็นคำไม่ควรพูดไม่ควรโกหกอย่างยิ่งในวงมนุษย์ด้วยกันปากโกหกเป็นปากที่ขาดบาดสลึงคนโกหกเป็นคนขาดบาดขาดเต่ง มนุษย์เต็มบาดเต็มเตงไม่ควรพูดโกหกมุสาจงพูดแต่ความสัตย์ความจริงเพื่อประโยชน์อันสมบูรณ์ต่อกันนี่เป็นพรข้อที่สสุราของมืนเมาเคยทำมนุษย์ให้ขาดบาดขาดสะดึงเสียผู้เสียคนเสียการเสียงานเสียสมบัติเงินทองมามากตะมากแล้วจนประเมินโทษของมันไม่ได้เราเป็นมนุษย์เต็มบาทเต็มเตงไม่ใช่มนุษย์ขาดเฟื้องขาดสลดึงจึงไม่ควรนาสุรามาทาลายอวยวะ สติปัญญาอันเป็นสมบัติมีค่าในตัวเราให้ดอยลงและเสียไปอย่างยิ่งสุราเป็นสิ่งบรนทอนและทำลายมนุษย์สมบัติของมนุษย์และการงานของมนุษย์โดยท่ายเดียวคือเสียซากก่อความทะเลาะวิวาทเกิดโรคถูกตำหนิตีเตียนกิริยามารยาทเรากลหาขี้เรื่อนที่ใครๆรังเกียจไม่สมควรแก่ปกติชนหญิงชายไม่รู้จักอายหน้าหนาหน้ า, นาชาหมดยางอายลดคุณค่ามนุษย์ หมดคุณค่าในตัวมนุษย์ผู้กินสุราเมาสุราความเป็นบ้าหาได้ง่ายในสุราและคนเมาสุราและหลานจงรู้ว่านี่คื อ, อยาพิษไม่ควรสนใจใฝฝันกับสุราและนํามาดื่มมากินเดี๋ยวเป็นบ้ากันทั้งโลกนี่เป็นพรข้อที่ห้าที่ปู่มอบให้แก่ลหลานวันนี้ซึ่งตรงกับวันขึ้นปีใหม่และจงพากันเป็นคนใหม่ต่อไปจะคนคนเก่าด้วยการฝึกหัดเปลี่ยนแปลงตนใหม่จากที่เคยไม่ดีให้เป็นคนดีต่อไป เอาละพอการตะเกิยกตะกายมาหาหลวงพ่อวันนี้เพราะข่าวเล่าลือมานานว่าหลวงพ่อเป็นพระองค์สคาําคัญทัพพิสานองค์หนึ่งและเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นด้วยอยากพบเห็นอยากกราบไหว้บูชาอยากฟังคําสนทนาอยากฟังธรรมเทศนาปโปรดตามแต่หลวงพ่อจะสะดวกปโปรดได้กระผมยินดีทั้งนั้นที่สําคัญและอยากพบเห็นอยากกราบว่าอย่างยิ่งก็คือองค์ท่านหลวงปู่ขาวนี่แหละเพราะล่ําลือมานาน วันนี้สมใจปลื้มปีติอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียวละปู่ปู่ถามมาเห็นแล้วเป็นยังไงสมคําเล่าหรือไม่ล่ะสมยังบอกใครไม่ได้แต่ตื้นตันหูอกเลยขนาดนี้ทั้งนี้เพราะเคยทราบแต่แต่ในตำราว่าพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านบำเพ็ญและบรรลุมรรคผลนิพพานอยู่ในที่ต่างๆกันเช่นในป่าในถ้ำในเขาในครั้งโน้นอ่านแล้วให้เกิดความคิดต่างๆเกี่ยวกับมรรคผลนิพพานในครั้งโน้น และหิวกระหายอยากฟังการบาเพ็ญและการบรรลุมรรคผลนิพพานของพระในครั้งนี้ว่ามีท่านภูมเิเพนและบรรลุธรรมได้เหมือนครั้งโน้นหรือเปล่านาบุญยังพอมีก็มาได้ยินเรื่องของหลวงปู่ม่านปู่เสาและได้ยินเรื่องครูอาจารย์ทั้งหลายสายของท่านปู่เสาปู่มั่นนี้จนถึงเรื่องของหลวงปู่องค์ที่กล่าวเฝ้าอยู่เวลานี้ทําให้เกิดความเปลือมปิติจนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกมันเต็มตื้นอยู่ภายใ น, นปู่เพียงได้โอกาสจะมาเยี่ยมหลวงปู่เท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างตลอดผู้เกี่ยวข้องสิ่งเกี่ยวข้องมันตกออกในทันทีทันใดภายในกายในใจเบาไปหมดรากับตัวจะเหาะลอยที่เป็นทางนี้เพราะทราบซึ่งในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้แก่สัตว์โลกเป็นคำสั่งสอนเสมอต้นเสมอปลายคงเส้นคงวาทั้งฝ่ายมารและฝ่ายผลไม่ผิดหวังแก่ผู้ปฏิบัติธรรมว่าจะไม่มีผลตอบแทนที่ควรแก่เหตุที่ยังมีข้อสงสัยอยู่บ้างก็ตรงที่คนสมัยโน้นกับคนสมัยนี้ ดูว่ามีกิเลสหนาะบางต่างกันอยู่มากเฉพาะ อ, อย่างยิ่งผู้สนใจปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงยังรู้เห็นธรรมได้ยากกว่าครั้งพิการณาอยู่มากต้องลำบากลำบนมากกว่าจะรู้จะเห็นธรรมดังในประวัติของหลวงปู่มั่นภูริธธทัตเถระที่ท่านพระอาจารย์มหาบัยานสัมปันโนเรียบเรียงไว้กระผมได้อ่านจนจบหลายเที่ยวไม่เคยเบื่อเลยหลวงปู่มั่นธนบากมากกว่าจะรู้เห็นธรรมทั้งนี้ก็กราบเรียนตามความรู้สึกเท่านั้น ส่วนความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขอความเมตตาชี้แจงจากหลวงปู่ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงแก่กระผมด้วยปู่ตอบฟังคุณพูดเกี่ยวกับาศาสนาธรรมที่ประทานไว้กับคนมีกิเลสหนาบางในสมัยโน้นกับสมัยนี้ต่างกันก็น่าฟังเรายังไม่ต้องพูดถึงท่านผู้สนใจปฏิบัติธรรมแต่ขอพูดเรื่องผู้ไม่สนใจสแสวงธรรมแต่สนใจสแสวงหากิเลสมากกว่าธรรมก่อนคนสมัยโน้นแม้ผู้มต สนใจในสแสวงในการสแสวงธทมแต่การสแสวงสิ่งที่เป็นกิเลสมาพอกปูนหัวใจก็ไม่มากนักไม่สแสวงหาหลายแง่หลายทางหลายเล่หลายเหลี่ยมหลายสารพันคมเหมือนคนสมัยนี้ในสายตาดูว่าสแสวงกันอย่างออกหน้าออกตาเด่นดังจริงๆทั้งอยากมั่งมีทั้งอยากเด่นอยากดังทั้งอยากให้คนเคารพนับถือทั้งอยากให้เขาล่ำเือว่าตัวเก่งกล้าสามารถหมดทุกด้านทุกทางจนไม่เป็นอันกินอยู่หลับนอนได้สนิททั้งสิ่งยั่วยวนกวนใจเพื่อเบิกทางกว้างของกิเลส โลภะราคะตัณหาตาเป็นไฟก้นน้วันขยายตัวมากขึ้น ต, ตามๆกันเมื่อเป็นเช่นนี้แม้ผู้มีนิสัยสนใจต่อธรรมทั้งหลายพยายามเที่ยวส่อและบำเพ็ญก็ย่อมแบกไหวสิ่งเกี่ยวข้องซึ่งรุมล้อมอยู่รอบตัวออกและบำเพ็ญด้วยความลำบากอยู่เป็นธรรมดาชนะที่ว่าคนครา้งโน้นกับครั้งนี้มีกิเลสหนาบางต่างกันก็ไม่น่าจะผิดเพราะสิ่งส่งเสริมให้ฝ่ายต่ำมีกําลังมีมากกว่าสิ่งส่งเสริมทางฝ่ายทําให้เจริญคนจึงมีทุกข์มาก ลำบากทั่วดินแดนแม่ที่อยู่ในป่าในเขาก็ไม่เว้นเพราะสิ่งพาให้เป็นฟืนเป็นไฟมันวิ่งประสานทั่วถึงกันส่วนธรรมนั่นก้าวไม่ค่อยออกหรือก้าวไม่ออกเพราะไม่มีใครพาก้าวสุดท้ายความกิเลสต้มยำเอาสดสดร้อนๆต่อหน้าต่อตาว่ามักผลที่ผานไม่มีมีแต่ชื่อในตำราที่สอนไว้และเขินไว้เท่านั้นนั่นฟังสิคุณกิเลสมันออกรวดลายเห็นไหมความจริงผู้เชนั้นมันไม่ได้มองดูธรรมพอชั่ว กพริบตายิ่งกว่าการเถลอมองกิเลสวิ่งตามกิเลสจนตาแห้งขาปูดบวมไปเลยแล้วก็ทําตัวเป็นเครื่องมืออย่างเอกของกิเลสให้ออกทําลายธรรมได้ทาลายหัวใจประชาชนชาวพุทธโดยหารู้ตัวไม่หน้าทุเรศไม่น้อยเลยถ้าจะทุเรศนะถามคนชนิดนี้ที่เป็นเครื่องมือของกิเลสเพื่อทําลายธรรมและหัวใจประชาชนมีอยู่หรือปู่ตอบจะไม่มีอย่างไรนอกจากไม่พูดกันว่ามีเต็มแผ่นดินเท่านั้น ก็อยู่ไปสังเวชไปในวงผู้ดีมีธรรมและทรงธรรมคือมรรคผลนิพพานทั้งหลายทั้งนี้เพราะคนมีธรรมย่อมมีหิริโอตตะปะในใจไม่พูดสุ่มสี่ซุ่มห้าไม่พูดแบบสุ่มเดาเกาหมัดเพราะไม่มีขี้เรื้อนบ่อนทําลายไม่เหมือนคลังกิเลส ท, ที่ไม่สนใจในธรรมมันพูดได้ทั้งนั้นในเรื่องเสียเสียให้หายเพราะไม่มีหิริโอตตะปะในหัวใจจะเอาอะไรมากระดากอายมีแต่ตัวหน้าด่านสนดานทําลายถือเป็นความสนุกให้เขามองหน้าแยบหนึ่งก็ว่าตัวเด่น ใครจะได้รับความเสียหายพระตัเองไม่คํานึงแม้ธรรมก็เป็นธรรมมรรคผลนิพพานก็เป็นมนรรคผลนิพพานอยู่นั่นแหลมิได้เอ็นเอียงหรือถลอกปอกเปิกไปเพราะปากสกปรกก็จริงแต่ผู้กําลังสนใจธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานซึ่งยังไม่เคยรู้เคยเห็นธรรมนั่นสิมีส่วนเสียด้วยลมปากสกปรกอันนี้ได้ท่านผู้รู้ผู้ทรงมรรคผลนิพพานอยู่เต็มหัวใจแล้วท่านจะหวั่นไหวอะไรกับปากกิีดตัวทําลายนี้เล่า คนเราพอใจสแสวงหาอะไรก็ได้ก็มีสิ่งนั้นสแสวงหากิเลสก็ได้ก็มีกิเลสแสวงมากก็มีมากขึ้นอยู่กับการเสาะสแสวงสแสวงธรรมก็ได้ก็มีธรรมแสวงมากก็มีมากจนสมบูรณ์ในหัวใจดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสแสวงกันและได้มาเป็นสารนาของชาวพุทธเราคือท่านผู้สแสวงธรรมรู้เห็นธรรมและทรงธรรมแท้โดยหลักธรรมชาติไม่ใช่ธรรมจดจำแต่เป็นธรรมแท้จริงในหัวใจ คำว่าธรรมมีอยู่ตลอดอนันตการนั้นพึงทราบว่าธรรมม่ใช่ดินน้ำลมไฟแร่ธาตุต่างๆมิใช่อากาศอวากาศไม่ใช่สิ่งทั้งมวลในแดนสมมติธรรมคือธรรมไม่ใช่สิ่งดังกล่าวเครื่องพิสูจน์ธรรมก็ไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นวิสัยเพียงดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นริมรสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งซึ่งอยู่ในฐานะของตนที่จะรับรู้สัมผัสได้เท่านั้นม่ได้ลึกซึ้งกว้างขวางพอจะสามารถอย่างรู้เห็นธรรมดังกล่าวนั้นได้ สิ่งที่สามารถสัมผัสรับรู้ธรรมทุกขั้นทุกโภมได้มีใจดวงเดียวนี้เท่านั้นใจจึงเป็นของคู่ควรแก่ธรรมทั้งหลายทั้งหยาบกลางละเอียดจนถึงวิมุติธรรมนอกนั้นไม่มีอะไรสามารถสัมผัสรับรู้ธรรมได้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระสาว่ของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ทรงรู้ธรรมเห็นธรรมด้วยใจไม่ใช่ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเลยใจจึงเป็นภาชนะอันเหมาะสมกับธรรมทุกขั้นทุกโภมอย่างยิ่ง เมื่อได้รับการปรับปรุงแก้ไขและการบำรุงรักษาโดยถูกทางเช่นการปฏิบัติจิตภาวนาเป็นต้นถามคําว่าธรรมมีอยู่นั้นมีอยู่ที่ไหนปู่ตอบมีอยู่ที่ธรรมถ้าใจปฏิบัติธรรมมีสมถ t วิปัสสนาธรรมเป็นต้นธรรมก็สัมผัสที่ใจรู้กันที่ใจเกิดที่ใจและธรรมก็อยู่ที่ใจเช่นสมาธิผู้ปฏิบัติจิตภาวนาต้องทําที่ใจและรู้สมาธิขึ้นที่ใจจากนั้นใจนั้นก็มีสมาธิ สมาธิก็อยู่ที่ใจดวงนั้นแม้วิปัสสนาตลอดวิมุดหลุดพ้นก็เป็นไปกับใจในธรรมลองเดียวกันกับสมาธิเกิดที่ใจนี้ด้วยเหตุนี้ธรรมจึงไม่อยู่ที่ไหนนอกจากอยู่กับธรรมและอยู่กับใจของผู้ทําให้เกิดให้มีเท่านั้นฉะนั้นธรรมแท้จึงไม่ได้อยู่ในวงส ม, มุตินอกจากสัญญาธรรมคือธรรมในความจําและธรรมในขอบข่ายของส ม, มุติจึงอยู่ในส ม, มุติเพราะส ม, มุติพาอยู่พาไปพาให้เสริมพาให้เจริญพาให้ทันสมยัยพาให้ล้าสมายัย ทำแท้ไม่ได้อยู่ในขอบข่ายแห่งสมมุติจึงไม่มีคำว่าล้าหรือทันสมัยถามแหมละเอียดและหน้าอัศจรรย์มากนะปู่ทำที่ฟังวันนี้ก็ผมยังไม่เคยฟังจากที่ใดผู้ใดมาก่อนเลยเพิ่งได้ฟังวันนี้ยังจุใจที่หิวกระหายมานานทำแท้ที่กล่าวถึงนี้ถ้าผู้ไม่รู้ก็พูดไม่ได้พูดไม่ถูกพูดไม่เป็นเพราะไม่ใช่ทำคาดคะเนทำดนเดาแต่เป็นธรรมของจริงจากใจโดยแท้ ดังทำในพระทัยของพระพุทธเจ้าและทำในใจของสาวกท่านอัศจรรย์จริงสมใจที่มาวันนี้ทำนี้คนกิเลสหนาหนาดังพวกกระผมจะมีทางรู้ได้ไหมปู่ตอบขณะยังมีกิเลสหนาหนาไม่ว่าใครใครรู้ไม่ได้ทั้งสิน้นแม้พระพุทธเจ้าก็ยังรู้ไม่ได้ขณะจะรู้และขณะรู้กิเลสต้องเบาบางและกิเลสต้องหมดสิ้นไปจากใจเพราะธรรมปฏิบัติสังหารทํำลายฉะนั้นท่านจึงสอนให้อบรมฝึกฝนก จ, จิตใจชําระจิตใจ ซึ่งเป็นการชงระลา้ะลางกิเลสในขณะเดียวกันจนกิเลสสิ้นจากใจแล้วย่อมรู้ได้ทุกคนเพราะทำไม่มีคำว่าลำเอียง